พระธรรมเทศนาแผ่นที่93าลำดับที่ส5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สมิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าวัดนี้มีไว้เพื่อผู้ภาวนาวันนี้เป็นวันที่สี่ มิถุนายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอุโบสถเมื่อเช้านี่ก็มีศรัทธาญาติโยมมาทำบุญตามปกติรู้สึกว่ามากเป็นวันเสาร์ด้วยตอนเที่ยงนี่เราก็ได้ลงอุโบสถพระทั้งหมด40กว่ารูปวันนี้ พระที่มาลงโบสถ์ตอนเอที่ยงวันนี้พระทั้งหมด46รูปนะก็ได้สวดปฏิโมกจบลงสักครู่นีเ้เป็นวันเดือน6ดับ เ, เป็นวัน15คำ่ำผมเป็นเดือนเดือนคู่แต่ทั้งยังไงในช่วงนี้ช่วง ก่อนเข้าพรรษาให้พวกเราทุกท่านนะผู้ที่จะอยู่เตรียมตัวเตรียมใจใผู้ที่จะไปก็รีบวางแผนไปที่ไหนต้องคิดนะอย่าไปอยู่แบบเออแล้วเหยไม่มีจุดหมายปลายทางผู้ที่จะอยู่ตั้งใจอยู่แล้วองค์ไหนนี่เคยจำพรรษาที่ที่นี่แล้วนะก็ รู้แต่องค์ไหนที่ไม่เคยจำเพิ่งเข้ามาใหม่ผมจะต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งนะผมมาจากไหนยังไงพอวัดของเราไม่ใช่วัดสุมสี่สุมหา้าวัดมีกฎดุเบียบมีกฎเกณฑ์แล้วก็หมู่ที่อยู่ด้วยกันก็เหมือนกันให้สังเกตไม่ใช่ว่ามากขี้ควายหลายขี้ช่าง อยู่ไปเพียงแต่ว่าได้หมูมากท่า น, นเองผมไม่ต้องการอย่างนั้นนะต้องการคุณภาพของพระพระคุณภาพอยู่ในกรอบท่า อ, องไหนเด่นเด่ น, ด, น, ด, นด้านด้าๆขี้เกียจทํากิจวัตรข้อวัดมาเกาะหมูอยู่เฉยๆบอกมาอย่าให้ผมได้บอกอย่าให้ผมได้ไล่นะให้รู้จักของตัวเอง ให้หมูบอกมาจะไปเอาไว้นะผมไม่ต้องการพระที่ไม่มีความขยันหมั่นเพียรหมดอะไรตายอยากแล้วจะมาอยู่เหมือนกับคนตายแล้วนะหมดความภาคเพียรมาอยู่ทำไมโลกไปนี้ไม่ใช่ว่ามีแต่วัดเรามีกว้างขวางตลอดถึงหยาตโโยมก็เหมือนกัน ถ้าญาติโยมผู้ใดก็ตามมาเกี่ยวข้องกับวัดเราเโลภโหโ ม, โ ม, โมโกณนะกิริยามารยาทไม่ดีพวกท่านทั้งหลายต้องประชุมต้องหาเรือกันนะกันกรองไม่ใช่ว่าเราจะไปรูปหน้าปะจมูกเกรงลัวโยมคนนั้นโยมคนนีนนนนนนน้พระกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เข้าข้างขาคนนั้นเข้าขาองค์นี้อย่าได้มีใ น, ในวัดของเรานะอย่าได้มี เราต้องเป็นพระพระต ร, ตรงไปตรงมาพระอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยพระญาติโยมเป็นยังไงพระเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเข้าข้างเข้าขาโยมฮน ะ, หะให้กัดคนนั้นให้กัดคนนี้ถ้าเป็นลักษณะบอกมาองไหนถ้าไม่กล้าบอกเขียนจดหมายมาบอกก็ได้นะ เ, เดี๋ยวผมจะสังเกตเธอ พอผมรู้ล้วผมจะสังเกตจะให้ผมรู้ไปทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะยากนะแต่ถึงยังไงก็ตามผมต้องการพระดีคนดีที่มาเกี่ยวข้องกับผมนะพระที่ดีเป็นผู้มีสีไราจารวัตหมัน่นขยันอดทนถึงยังไงถึงจะไม่ได้มักได้ผลก็มีความขยนันมีความตั้งใจเป็นหลักนั่นแหละผมต้องการพระที่ว่าตั้งใจเป็นหลัก เพื่อหวังผลทุกในวัฏสงสารเป็นพระที่ดีนี่แหละอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยอย่ามาอยู่แบบเลเล่อนล่อนแต่ละวีแต่ละวันออจะให้ผมได้เห็นนะพระจิ้มโทรศัพท์นะถ้าผมเห็นผมจะไล่หนีจากวัดนะจะว่าไม่บอกนะในพรรษาก็ไม่ว่ากันละวัดนี้ผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้น ที่มาจิ้มโทรศัพท์ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่สถานที่ทำอย่างนั้นสถานที่ปฏิบัติภาวนาท่านถ้าว่าต้องการพาทมธุระภาระธุรกิจอย่างไรออกไปยังมาอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ทำที่ทำธุรกิจการงานภายนอกที่ภาวนาถ้าว่าท่า น, านต้องการติดต่อประสานกับผู้คนหนีออกไปอยู่ทาไม เนีทุนนี้ไม่ใช่สถานที่ติดต่อกับคู่คนนะเป็นสถานที่ภาวนาแต่มีความจําเป็นอ่ก็ไม่ว่าการความจําเป็นมันมีอยู่แต่ละสถานที่แต่ว่าพุ่มเพื่อเกินไปเรือรังเกินไปติดต่อประสานคนนั่นคนนี้ถ้าใครเป็นอย่างนั้นบอกมานะอะ่ผมจะไล่นี้ออกจากวัดนะจะว่าผมไม่บอกนะนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆองอ่าทุกท่าน สรุปแล้วก็คือให้มองตนเองเรามาอยู่ที่นี่มาเพื่ออะไรมีจุดประสองค์อะไรมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งหมายอะไรเรามาหวังเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอมาหวังเพื่อปฏิบัติชาระ ก, กายวายจาจใจของตนเองไม่ใช่เหรอเรามาเพื่อมาศึกษาตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาเออเอาเถอะเราเราเร า, เราไม่ทันหลวงปู่มั่น เราทันแต่องค์หลวงตาหลวงตาสอนให้เราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเสียงเ่านี้หลวงตาสอนอยังไงอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะมองกระจกคือองค์หลวงตาไว้ที่อยู่ใกล้ๆเราพวกเราเคยเห็นมาแล้วท่านเคยมาผ่านมาแล้วท่านเคยเทศนาวาการที่วัดของเราไม่รู้ว่กี่เที่ยวกี่ครั้งเราได้รับรู้รับทราบแล้วท่านสอนอยังไงเราควรปฏิบัติอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าต่อหน้าเป็นมัพรับหลังเป็นตะโกไม่ชื่อสัตว์ไม่ชื่อตรงต่อหลักพระธรรมไม่ไหนต่อครูบาอาจารย์ผมรับไม่ได้นะหมูพกเพื่อนนะให้ทั้งอกตั้งใจนะมาอยู่กับผมนะผมไม่ได้ต้องการพระมากมายนะต้องการคุณภาพนะถ้าว่าต้นพระไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันไปทําไมเหมือนกับฆราวาสญาติโยม เผื่อยังมีเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันแย่งแย้งลาบแย่งยศกันอีกต่างหากแทงหลังกันอีกต่างหากอิจฉาพยาบาทอาฆาต จ, จองเวรกันอีกต่างหากไม่ใช่สถานที่อย่างนั้นที่วัดของเรานะเป็นสถานที่รู้แจ้งพยายามชําระจิตใจของเราให้พ้นจากพ้นจากทุกนะให้พ้นจากทุกจุดหมายของเราคือไม่ให้มาเวียดไหวตายเกิด ในวัตะสงสารตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องภายนอกนั่นอติเรศอัติเรศกระลาภายนอก ม, นมันมีมาเราก็ใช้ไปมาโดยเป็นธรรมและก็ใช้โดยเป็นธรรมถ้าเราไม่มันไม่มีเราก็จะแหวงหาทําไม่ขนาดร่างกายของเราเราก็จะทิ้งมันอยู่แล้ว เ, เราจะเป็นโสแสวงอะไรขาดเหลืออะไรต้องการอะไรยังไม่พออยู่แล้วขนาดนี้ฮะ ยังไม่พอเหรอข น, ขนาดขนาดที่ยังไม่พอเหรออยู่ฉันอย่างขนาดนี้อยู่กินขนาดนี้ไม่พอเหร อ, อใช้ขนาดนี้ไม่พอเหรอยังขาดอะไรอีกฮะ เ, เรามาละมาปล่อยมาวางมาละกิเลสไม่ใช่เหรอให้พวกเราถามถามพวกเรานะให้พวกเราถามพวกเราจากนั้นก่อนนี่แหละ อ, อันไหนที่ที่จะเดินไปสู่ภายภาคหน้าถ้ า, าว่าไม่จำเป็นนะ โทรศัพท์นะทิ้งนะอย่าเอามาให้ลกลงรังนะ เ, เดี๋ยวค่าโทรศัพท์เดี๋ยวค่านุ่นค่านี่มันโโทรศัพท์ไปเพื่ออะไรต้องการอะไรหวังอะไรต้องดูกันนะถ้าไม่ได้เรื่องพระใหม่ตาสีตาสาเข้ามาเนี่ยไล่ออกจากวัดนะั่นนะบอกมานะมันได้มันใช้แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมิจะเสียหาย ทำร้ายทำลายตัวเองโทรโทรศัพท์ไปติดต่อคนนั้นคนนี้เผยเผยยังเอถ้าหาว่าติดต่อไปถึงผู้หญิงอีกต่างหากถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นบอกมานะแปลว่าร้ายแรงเลจยนะอแปลว่าให้อภัยไม่ได้ต้องไล่ออกจากวัดทีเดียวลูกเดียวเลยถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าผมมาอยู่ให้สังเกตดูนะเอถ้าใครเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นผู้ยากผู้หญิงจะเป็นใครก็ตามนะเอเห็นล้ผิดปกติให้บอกผมนะ ไม่ใช่วันเนา่าเฟะจนพอแรงแล้วจึงค่อยมาบอกผลฝีจะแตกแล้วจึงค่อยมาบอกไม่ได้นะเอต้องรู้นะพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันนะใครเป็นใครนะถ้ากิริยามารยาทอากับกิริยาองค์ไหนไม่ดีบอกมาออย่าไปเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ทําไมอโลกไใบนี้มันจะงว้างขวางเอนี่แหละชวนเข้าพรรษานะพวกท่านทั้งหลายนะเตรียมตัวเตรียมใจนะอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหานะ ให้ประกอบคุณงามความดีนะให้ตั้งใจให้จริงจังและจริงใจนะอย่าไปทำแบบเลาะเล่นๆนะผมไม่ได้ต้องการหมูพกเพื่อนนะไม่ต้องการหมูมากนะต้องการหมูคุณมีคุณภาพถ้าไม่มีใครอยู่ผมจะอยู่องค์เดียวนะผมบอกแล้วผมจะอยู่องค์เดียวแต่ผมจะไม่ทำความชั่วนะผมอยู่คนเดียวผมจะไม่ทำความชั่วนะถ้าพว ก, พวกท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงผมหรอก ผมเกิดมาผมเกิดมาคนเดียวพวกท่านาทั้งหลายไม่ต้องห่วงที่ท่านพวกทั้งทั้งหลายมาเนี่เจตนาดีมาเพื่อการศึกษาเพรผมก็ต้องสอนตะอุตังใจสอนมีความรู้เท่าที่จะสอนได้บอกกล่าวได้ผมก็แนะนำสั่งสอนบอกหมู่พวกเพื่อนนะให้เป็นคนดีเพื่อจะเป็นทายาท ต, ต่อไปภายภาคหน้าเท่านั้นเองนะแต่ถ้าว่าพวกหมู่พวกเพื่อนทาดีไม่ได้ผมทาดีไม่ได้ครับหลวงพอ่อ มันใจของผมมันเลวอยู่ตลอดเวลาก็บอกมาอยู่ทำไมจะให้ได้ไล่กันนะให้ออกไปเลยถ้าว่าเป็นคนดีไม่ได้ถ้าเป็นคนดีได้เอาพยายามทำให้ดีที่สุดบางทีมันก็กิกเลสบางทีมันก็ล้มลุกคุกคลานเป็นธรรมดาผมก็เหมือนกันล้มลุกคุกคลานพอล้มลงไปแล้วก็ลุกสู้ขึ้นมามาใหม่อีกสู้ตลอหลายครั้งตหลายหน ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเป็นหลักอยู่มีความตั้งใจเป็นหลักอยู่มีความมุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีในจิตในใจอยู่อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นผู้ชนะได้นะถ้าหากว่าพวกเราไม่หวังที่จะสู้เลยนี่มีแต่ทําจิตใจให้เลาะแลตลอดล้มเหลวเออันนั้นไม่เป็นท่านะบวชมานานเท่าไหร่แตเสียหายจะพังไปทั้งหมดเสียหายใครเลยไม่ใช่เสียหายท่านนะ เสียหายพระพุทธศาสนานะเสียหายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเอาฝนมาแล้ววะเอาหยุดตอนนี้ก่อนนะอต่อไปสวดท้ายพระปฏิโมกข์นะทีนะ